วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนสามตรงกับวันที่สองกุมภาห้าสองเป็นวันปฏิบัติธรรมไหวพระสวดมนต์ของพวกเราแล้วก็พร้อมกันต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวธรรมะเป็นแนวทางให้พวกเรา ได้ฟังได้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝากฝังไว้กับผู้ใดผู้หนึ่งฝากฝังไว้กับพุทธบริษัท4สภิกษุสา ม, มเณรอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธกาลอุบาสกอุบาสิกาเป็นธรรมกรถกเป็นผู้แสดงธรรมเป็นผู้เผยแผ่ธรรมะกม็มีที่พวกเราได้ ศึกษาในพระไตรปิฎกแต่ถึงยังไงก็พระสงฆ์เป็นผู้นำที่นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่ให้แก่ปวงประชาสืบทอดกันมาทุกวันนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุพระธรรมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์เป็นผู้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้เข้าใจถ้าสรุปไปแล้วก็คือพระธรรมเป็นประธานเป็นประธานใหญ่คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้พระธรรมพระธรรมนี่เป็นหลักคือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้พระธรรมพระธรรมคือคำสอน พระสงฆ์ก็ได้นำพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดรู้ธรรมมาบอกกล่าวให้แก่พวกปวงประชาทั้งหลายให้เข้าใจเขาว่าธรรมคำนี้ก็เป็นเหมือนกับกุศลธรรมอกุศลธรรมอพยาคตาธรรมกุศลธรรมธรรมที่เป็นฝ่ายดีหรือเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายถูกต้องฝ่ายเป็นธรรม ฝ่ายที่มีเหตุมีผลไปนในทางที่ดีเรียกว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นฝ่ายชั่วเป็นฝ่ายที่ไม่ดีเป็นฝ่ายต่ำไม่ควรประพฤติปฏิบัติเป็นข้อห้ามเรียกว่าอากุศลธรรมอัพยากตาธรรมเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเรียกว่าอัพยากตาธรรม ทุกวันนี้เขาจะเปรียบเทียบกับเหมือนสีเทาลักษณะอย่างนั้นเป็นกลางๆางจังหวัดช่วนิดหน่อยก็มีจังหวัดดีเลื่เลอรก็ไม่มีผู้ที่อยู่ในอัปยาคตาธรรมเนี่ยคือพวกที่นอนหลับถ้าว่าตื่นขึ้นมาแล้วแนวแนวความคิดไม่ไปสุดไปไม่ไปข้างหนึ่งกับไปข้างหนึ่ง แต่จะสุดต่งไปมากขนาดไหนอันนั้นก็เป็นอี ก, กเรื่องหนึ่งเพราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วพวกเราจะต้องได้คิดคิดไปในทางดีเรียกว่าเป็นกุศลกรรมเป็นกุศลาธรรมถ้าคิดไปในทางที่ชั่วเรียกว่าอากุศลกรรมไม่คิดไปทางดีทางชั่วเป็นกลางกลางเรียกว่าอัพยากตาธรรมนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ให้แก่ปวงประชาพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาอันนี้เรากว่าพระธรรมคำสอนถ้าจะเปรียบเทียบ ว, ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติอย่างพวกเราสาธยายเรื่อานำมาประพฤติปฏิบัติปริยัติในจัดเป็น พระธรรมแปด0มื่นสี่พันพระธรรมขันพระธรรมแปดหมืสี่พันพระธรรมขันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เป็นอนเนกอ น, นันต์แต่พวกเราจะไปเล่าเรียนศึกษาจนครบแ4ด0มื่นสี่พันพระธรรมมขันนั้นคงจะไม่ครบแต่พระพุทธองค์ท่านเป็นสยัมภูรู้แจ้งโลกเป็นโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านตรัสเอาไว้ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาสุดแท้แต่สติปัญญาของพวกเราท่านทางหลายแต่ละคนความเฉลียวฉลาดความจำหรือความตีแผ่หรือว่าเข้าใจในพระธรรมไม่เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มากถึงขนาดนั้นก็เป็นวาทฐหรือว่าเป็นแนวทาง ที่จะให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาถ้าวัตศาสนาอื่นเขามาดูถูกหรือว่าเขามาโต้วาทะหรือเขามาขัดแย้งเรื่องธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพูดไว้ทั้งหมดแล้วตรัสไว้ทั้งหมดแล้วถ้าพวกผู้ใดก็ตามได้ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว จะนำวาทะหรือว่านำทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้แล้วแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันมาเปรียบเทียบามาซักไซไล่เลียงหรือว่ามาโตวาทะแก่ผู้ที่เขาจะมาโตวาทะเกี่ยวกับ พ, พระพุทธศาสนาหาช่องว่างไม่ได้อันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ให้มากมายเอาไว้เพื่อกัน ให้สาวกอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้เราว่าพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรร ม, มขันแต่ทุกวันนี้จะครบทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรร ม, มขันไหมอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะเอามานับสักไซส์ไล่เลียงดูอันไหนเป็นคําอันไหนเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่ก็คงจะไม่มีใครที่จะมาซักไซส์ไล่เลียงถึงขนาดนั้นเพราะว่า พวกเราก็เกิดจุดท้ายภายหลังไม่รู้ว่าของจริงไม่รู้ว่ของปลอมมันก็คงจะมีอยู่บ้างเพราะว่าพระธรรมคําคสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประกาศเผยแผ่มาถึง 2,500 กว่าปีแต่ถึงยังไงพ่อตามถึงจะมีจุดบกพร่องด้ือว่าจุดแปลกปลอมเข้ามาบ้างก็เป็นของเล็กน้อย แต่จุดใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้คงเส้นคงวายังเป็นหลักให้พวกเราได้ศึกษาอยู่นั้นก็คือพระธรรมที่เป็นหลักๆก็คือสติปัฏฐานสี่ริยรสัจสี่มรรคแปดไตรลักษณ์เหล่านี้นีน่แหละคือหลักยึดหรือว่าหลักหัวใจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้นอกนั้นก็ เป็นพระธรรมคําสอนที่มีวาทะจ้อยออกไปแต่ถึงยังไงพระธรรมคําสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เหล่านั้นล้วนแล้วจะเป็นนิยานิธรรมมีสาระมีประโยชน์สำหรับพวกเราจะได้ฟังได้ศึกษาทั้งนั้นแต่ถึงยังไงพวกเราที่เกิดมาสุดท้ายภายหลัง ผู้ที่เราเรียนศึกษาก็มีอย่างพวกที่พวกเรารู้เห็นอย่างปริยัตมหาปริยนทั้งหลายอันนี้ท่านเรียนศึกษาในพระไตรปิฎกแปรสับบาลีต่างๆมากมายแต่สำหรับผู้ที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติจริงๆ ก็ไม่ควรจะเรียนหรือว่าควรจะเรียนจะเฉพาะที่นํามาประพฤติปฏิบัติก็น่าจะเพียงพอก็ไม่ให้เรียนแบบอย่างที่ว่านั่นเรียนเพื่อศึกษาให้เข้าใจเพื่อปกป้องเพื่อป้องกันเพื่อโต้วาทะอย่างนั้นอันนี้คือเราเรียนรอบขอบแต่สําหรับผู้เรียนมาประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ถึงขนาดนั้น เพราะพระธรรมคำสั่งสอนของผู้ทีเจ้าที่เราจะต้องรีดได้เรียนได้ศึกษานั้นที่จะนำมาปฏะพฤติปฏิบัติจริงๆไม่มากมายต้นตอของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงก็คือกายกับใจใจกับกายจากนั้นก็เรื่องศีลสำหรับครวดก็คือศีลทานศีลภาวนา ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานสำหรับคราวาสเพราะคราวาสเป็นผู้โสแสวงหาทรัพย์บางทีก็ลุ่มหลงมัวเมาอยู่กับทรัพย์ในการโสแสวงหาบางทีก็พอได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่รู้จักแบ่งปันขี้ตีนีทีเหนียวจนเกินไปถือว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงๆอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้สอนว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มานั้น มันเป็นของภายนอกเป็ น, ปนไปได้มาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยบา ร, รมีเก่าของตอนเองก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการเสา ะ, ะแสวงหาทรัพย์เมื่อได้มาแล้วก็ควรจะแจ ก, กแบ่งให้แก่เพื่อนฝูงพ่อแม่ปู่ยา่าตาย า, ายวงศาคณะญาติหรือจัมณณชีพรามเด็ก แ, แบ่งปันให้แก่บุคคลที่ควรให้ปัน และก็ควรจะเก็บยังไงจะรักษายัางไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนในรายละเอียดอีกถ้าเราศึกษาเข้าไปแล้วการเจาะแสวงหาทรัพย์และการรักษาทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์และกัการแบ่งปันทรัพย์อีกเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดอันนี้ถ้าเราจะแยกแยะอธิบายให้ชัดเจนลึกซึ้งลงไปนั้นก็คงจะจะไม่ได้อธิบายส่วนอื่น เพราะนั้นเราต้องศึกษาในจุดนี้คือฐานะคือการได้มาและก็การใช้จ่ายทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ศินก็คือรักษากายวาจาของเราไม่ให้มีโทษอย่างคราวาดก็คือศินห้าและก็สิ์อูโบสุทธ์ก็คือศิลขัดเกลากิเลสไม่ให้หลุมหลงงัวเมากับสิ่งที่มาสัมผัส มีลิ้นมีตามีหูมีจมูกเป็นต้นมีสัมผัสทางกายเป็นต้นอันนี้ก็คือสินแปดจากนั้นก็คือภาวนาภาวนาคือพื่พยายามทำจิตใจของตัวเองให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างไรคาว่าภาวนามีทั้งสมรรถทิสังมีทั้งปัญญาจะมีทั้งสมถะมีทั้งมิวิปัสนาอยู่ในนั้นด้วยเราว่าภาวนา เปว็วารวมแต่สำหรับหอยพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านให้เน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยศีลสองยิเเป็นบทเป็นพื้นฐานคุณงามความดีที่จะก้าวไปสู่โลกุตรธรรมเพราะว่าพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าพระสงฆ์ผู้ที่เข้ามาอยู่จุดนี้ต้องเป็นผู้ตัดกิเลสภายนอกอย่างคราวาญญาโจมทํากันอยู่อย่างครอบครัวอย่างนี้พระสงฆ์ก็ต้องตัดเป็นผู้โดดเดี่ยวอยู่ตามลําพังบําเพ็ญเรื่องเนคคัมออกบวชเพื่อปฏิบัติธรรม ตัดกิเลสส่วนหยาบออกไปอันนี้คือศีลของพระสงฆ์ส่วนสมาธิคือพยายามทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งไม่ปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกปัญญารอบรู้ในกองสังขารเรื่องราวต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือหลัก ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสสอนเป็นขั้นตอนของพุทธบริษัทสีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามัเณรสรุปแล้วก็คือปริยัตเป็นพื้นฐานเป็นบทเป็นบาดฐานของปฏิบัติปฏิบัติเป็นบาดฐานของปฏิเวท ทำไมจึงว่าอย่างนั้นถ้าพวกเราไม่เรียนประหยัดก่อนพวกเราจะลงมือปฏิบัติได้อย่างไรถ้าหาว่าพวกเราไม่ลงมือลงมือปฏิบัติก่อนพวกเราจะรู้เห็นปฏิเวทธรรมของจริงที่เกิดในใจของพวกเราได้อย่างไรนี่แหละมันเป็นบาดฐานของกันและกันจนถึงปฏิเวทพราะนั้น ถ้าว่าเราไปย้อนถึงว่าศีลสมาธิปัญญาก็เหมือนกันถ้าพวกเราเห็นว่าปัญญาเนี่ยเลิศกว่าเพื่อนทั้งหมดคนมีปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ปัญญาเนั่แหละเลิศกว่าแต่ตามให้จริงก่อนที่จะเกิดปัญญาได้นั้นเป็นมาอย่างไร พื้นฐานบทฐานที่จะเกิดปัญญาได้นั้นเป็นบาทฐานยังไงก็เหมือนกับประยัิปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นบาทฐานตามขั้นตอนแต่ทีนี้พอมาถึงพูดถึงว่าสินสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นบาทฐานเช่นเดียวกันพลผู้มีสินดีไม่มีความขาดตกบกพร่องในแต่ละวัน แต่ะปีตั้งแต่เราบวชมาเราไม่เคยตำเนตในสินของเราว่าขาดตกบกพร่องเรารักษาสินจม่เสมอสินของเราไม่ด่างไม่พลอยไม่ขาดไม่ทะลุเมื่อเราสินดีเราเข้าไปในสมาคมใดเราก็องอาจกล้าหาญไม่วิตกไม่กังวลตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีสินถ้าเป็นผู้ไม่มีสินสินขาดสินทะลุสินไม่ดีแล้ว เข้าไปในสมาคมใดเหมือนกับวัวสันหลังหวะเออเหมือนกับวัวเป็นแผลในหลังเวลากลาอีการ้องอยู่ที่ใดวัวตัวนั้นก็หวาดเสียวหวาดแวงว่าอีกามันจะมาเจาะแผลของตนเองที่หลังนี้ก็เหมือนกันพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาถ้าว่าตัวเองเป็นผู้ขาดตกบกพร่องในศีลแล้ว ไปนักสถานที่ใดถ้าว่ามีคนท้วงติงขึ้นมาเรื่องสินหรือว่าเขารู้เรื่องของตัวเององค์นั้นก็หวาดระแวงเหมือนกับวัวสันหลังบะเพราะนั้นเรื่องสินของพวกเราถ้าว่าพวกเรารักษาสินดีแล้วเราจะมานั่งสมาธิไม่มิไม่มีความพิตกกังวลในเรื่องการเป็นอยู่ของเราจิตใจของเราก็แน่วแน่ มั่นคงก็สู่สมาธิได้เพราะว่าเราไม่ไปตกไม่กังวลกับสิ่งภายนอกเราระลึกนึกย้อนถึงการเป็นอยู่ของเราตำหนิตนเองไม่ได้เพราะเป็นเราเป็นผู้มีสินกายวาจาของเราเรียบร้อยไม่มีอะไรที่เป็นหน้าตำหนิใจของเราก็สู่เข้าสู่ความสงบได้ณเมื่อใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่ง ใจของเราไม่วิบต ก, กลางบนไม่ปุ่งฟุ้งซ่านในเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเรานําถอนออกจากความสงบหรือมันถอนเอง เ, ออเมื่อเข้าแล้วสมาธิไม่ใช่ว่าจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีถ้ามันจะยาวถึงขนาดนั้นเราก็ถอนมันได้ถอนออกพยายามถอนออกจากสมาธิออกจากสมาธิแล้วเรานามาพิจารณา ทางวิปัสสนาก่อนที่จะเป็นวิปัสสนานั้นต้องเป็นวิปัสสนึกก่อนต้องใช้ความนึกคิดความปรุงซะก่อนมันจึงจะเป็นวิปัสสนาได้ถ้าเราไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงมันก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นศีล ส, สมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไวน้นี้เป็นบารฐานจึงกันและกันพวกเราจะเป็นเน้นหนักว่าปัญญาตอนนั้นเลิศประเสริฐ สมาธิถ้าว่าผู้ใดทำสมาธิทำให้จิตใจตัดบทบาททางปัญญาลงให้ปัญญาอับเฉาหรือปัญญาสั้นพูดอย่างนั้นก็ถูกแต่ไม่ถูกทีเดียวถ้าเรามาวิเคราะห์เป็นขั้นตอนลงไปแล้วสมาธิเหมือนกับเรา ทานอาหารเสร็จแล้วก็อนอนหลับส่วนปัญญาเราออกทำงานหาเงินหาทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเราตำหนิว่าการพักผ่อนการนอนการทานอาหารและหลับหลับนอนนั้นเปล่าประโยชน์จริงๆไม่เกิดประโยชน์ทั้งที่จะออกเดินหาบเดินทางปัญญาอย่างเดียว ถ้านอนอย่างนั้นก็นเหมือนกับทําให้การโสแสวงหาทรัพย์นั้นล่อยหลอลงไปต่ําลงไปถูกไหมใช่ถูกต้องแต่ว่าการนอนนั้นท่านอนทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีคนนั้นจะโสะแสวงหาทรัพย์ได้อย่างไรอย่างคนที่นอนเป็นอมาพาสอย่างนั้นน่าจะไปโสแสวงหาทรัพย์ได้อย่างไรไม่ได้เพราะเหตุใดพวกเขานอน อันนี้ก็เหมือนการคนที่เข้าสมาธิทั้งปีทั้งเดือนจนไม่รู้จักถอนติดในสมาธิคนคนนั้นจะเดินปัญญาได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องได้รับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทันวัดสมาธินั้นเป็นการพักผ่อนในชั่วระดับหนึ่งชั่วระยะหนึ่งถ้าหาว่าคนใดก็าตามเห็นว่าการหาเงินเท่านั้นมีประโยชน์การพักผ่อนนอนหลับนั้นไร้ประโยชน์ คนนั้นจะไปได้กี่น้ำพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันไปไม่ได้กี่น้ำหรอกจอดเพราะเหตุไรไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเผอเผลอเบอร์เบอร์ไปไปเรื่อยเพราะไม่ได้นอนเพราะว่าการนอนการพักผ่อนนี่แหละคือสมาธิเมื่อสมาธิดีแล้วได้พักผ่อนเต็มที่แล้วเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วเรานำมาพิจารณา ถ้าว่าใครก็ตามท่านอนอยู่ในสมาธิโดยตลอดไปคนนั้นก็ไม่เกิดปัญญาอีกเหมือนกันถูกต้องเพราะอยู่ในสมาธิจะเกิดปัญญาได้อย่างไรแล้วท่านผู้ใดก็ตามถ้าว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเองอันนั้นมีน้อยมากเว้นเสียแต่ผูกขิปะผิญญาพวกรู้ได้เร็วอันนั้นไม่ปฏิเสธ เพรท่านมีบุญบา ร, รมีของท่านเต็มเปีย่ยมพอจิตของท่านเข้าสู่ความสงบพระนั่นเองจากนั้นก็กระโดดเป็นบาตรฐานเอาฟังนะทําจิตให้อยู่กับตัวนะตั้งใจฟังเพียงตั้งใจฟังนะั้นจัดว่าเป็นสมาธิไม่ใช่เป็นสมาธิตั้งใจฟังนะเราก็ขุดเขา้าเข้าสู่ความตั้งใจ จากนั่นก็บอกว่าเยธรรมมาเหตุตุตภาวเรื่องทั้งหลายมาจากเหตุก่อนที่จะเป็นผลมาได้มันมาจากเหตุเพราะนั้นให้ดูเหตุนะให้ดูที่ใจใจนั่นะเป็นมหาเหตุใจนั่นแหะเป็นต้นเหตุแห่งเรื่องทั้งหลายทั้งปวงทีงนี้ท่านก็น้อมจิตถึงตัวเหตุท่านก็ดูรู้เหตุเออใช่เรื่องทั้งหลายออกมาจากใจจริงๆไม่เป็นอย่างอื่น จากนั้นท่านก็ชําระที่ใจดูที่ใจปรับปรุงที่ใจของท่านเพราะเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานเบื้องเบื้องแรกจากนั้นท่านก็ได้สําเร็จพระโสดาสกทาคานาคารหารันมามากต่อมากโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องนั่งสมาธิหลับตาเป็นวันเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีแต่ทว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ขิปปิญญาอย่างนั้น พวกเราเป็นทันธาปิญญาจะต้องพยายามทําจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐานซะก่อนอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านมองหลายๆมุมไม่หลายๆบุคคลหลายๆชุมชนหลายๆระดับเหมือนกับดอกบัวสีเหล่าอย่างนั้นน่ะจะแนะนําสั่งสอนอย่างไรถ้าว่าดอกบัวดอกที่สีแล้วไม่มีปัญหาพอพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดอกบัวดอกนั้นก็บานรับทันที แต่อวดอื่นๆถึงพระอาทิตย์ขึ้นมาอย่างไงมันก็ยังอยู่ใต้น้ำมันไม่พร้อมที่จะบานะจะทำยังไงก็ต้องการทนุถนอมต้องพยายามทำดูแลประคบ ป, ประงมธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงมีหลายระดับให้พวกเราได้ศึกษาเพราะนั้นเรื่องสมาธิเราจะมองข้ามไม่ได้ศีล ส, สมาธิปัญญา เป็นบารฐานซึ่งกันและกันแต่ ถ, ถ้าว่าพวกเราเป็นเน้นแต่เรื่องปัญญาอย่างเดียวสมาธิไม่มีพะัะไตรปิฎกก็คงไม่ครบศีล ส, สมาธิปัญญาไตรไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตราสอาไว้นี่แหละคือเป็นธรรมที่พวกเราจะต้องได้ศึกษา แล้วสมาธิถ้าจะว่าไปแล้วสินก็คือกรอบอย่างพวกเราได้ศึกษาสินสองยี่2ิข้อมีอะไรบ้างมีสินพระปฏิโมกจากนั้นก็อธิบายออกไปอีกยว่าทวิหรือว่าปีจ้อยในแต่ละสิกขาบทปรับอตบทุกกฎบ้างทุกภาสิตบ้า ง, างในเรื่องนั้นๆทุนละใจบ้าง ในแต่ละสิกขาบทอันนี้ก็คือสินอยู่ในกรอบพวกเราได้ศึกษาจะรู้ได้ว่าพระไตรปิฎกเล่าว่าสินของพระสงฆ์นั้นสองร้อย2 7จ็ดก็จริงอันนั้นคือศิลเพราะในพระพระปฏิโมกแต่สินอภิสมาจารนั้นมากกว่ามากกว่าเป็นร้อยเป็นพันมากกว่าสินสินมาในพระปฏิโมก แต่ศีลเหล่านั้นศีลอภิสมารจารนั้นจำเป็นสำคัญไหมถ้าพวกเราถามจำเป็นสำคัญที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แล้วยกตัวอย่างให้ฟังรู้สิว่าสำคัญที่ตรงไหนอย่างศีลพิกษุกไว้ผมยาวไว้หนวดยาวไว้เล็บยาวอย่างนี้ไม่ใช่ศีลสยี่ิบเจ็ด เป็นสินอภิสมาจารย์ถ้าว่าพวกเราถือว่าพวกเราจะรักษาสินสออยี่สิบเจ็ดเท่านั้นสินอภิสมัจารย์สินนอกพระพาติโมกนั้นเราจะไม่รักษาแล้วพระที่ไว้ผมยาวเป็นยังไงไว้หนวดยาวเป็นยังไงไว้เล็บยาวเป็นยังไงอันนี้เพียงยกตัวอย่างไม่กี่อย่างให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาอันนี้แหะคือศินของพระ ศีลอภิสมาจารย์ก็จำเป็นที่จะต้องได้ประพฤติปฏิบัติแต่เรื่องสมาธิใหญ่ๆก็คือคณิกะอุปจาระอ ป, ปนาคณิกะคือความทำจิตใจให้สงบในระยะเริ่มแรกเมื่อเราบริกรรมกาหนดจิตไม่เหตุปุ่งฟุงออกไปข้างนอกจากนั้นใจของเราก็จิตใจของเราก็สงบในชั่วขณะหนึ่ง เ, เหมือนกับ มันวาบหรือมันซุบซิมลึกในที่หัวใจหรือว่าเข้าใจเข้าใจในตนเองใจไม่เผลอใจไม่ลุ่มหลงไปทางนอกใจอยู่กับตัวอันนี้เรียกว่าคณิกะคณิกะสมาธินี่จิตแปลกแตกต่างกว่าจิตธรรมดาตัวเองไม่สามเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะไม่ลืมมันจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเอออันนี้จิตเป็นสมาธิมันแปลกแตกต่างกว่าจิตธรรมดามากอันนี้คณิกะ อุปจาระสมาธิสมาธิจิตนึกคิดเรื่องอะไรสติของเราดูแลควบคุมทันกับจิตใจในขณะที่มันนึกคิดติตทันกับความรู้สึกนั้นผมเคยพูดอยู่เสมอว่าจิตอยู่คาว่าจิตอยู่คล้ายๆว่ามันไม่ปุงไม่ฟุง้งไปซ่านไปที่อื่น สติควบคุมจิตอยู่ในกรอบจะให้มันคิดเรื่องอะไรจะให้พิจารณาเรื่องอะไรจิตประเภทนี้อยู่ในกรอบไม่ปุงฟุ้งออกไปนอกลูก่นอกทางแล้วดูในกรอบของอถ้าเราศึกษาในหลักพระธรรมวิ น, นัยก็อยู่นในกรอบของหลักธรรมวิ น, นัยจิตนิง่งจิตสบายจิตไม่หิวไม่หิวหวย่ยจิตอยู่กับตัว จิตรู้เท่ารู้ทันมีสติอยู่ในการนึกคิดของตนเองอั น, นี้อุปจาระสมาธิส่วนอัปปนาสมาธินั้นจิตดิ่งลงเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นจจติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นอันนั้นแปลว่าจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแลเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วนั้น จะพิจารณาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถ้าจะว่าเกิดประโยชน์ไหมเกิดประโยชน์ดีไหมดีไม่ดีไหมไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรถ้าว่าเราติดอยู่ในสมาธิในจุดนั้นแล้วไร้ประโยชน์จริงๆเหมือนกับคนนอนหลับทั้งวันทั้งคืนไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าจิตของเราไม่เคยพักผ่อนเฉลยเราเป็นยังไงไม่รู้กระทั่งผลของสมาธิจิตสงบ ไอ้คนที่ว่าสมาธิไม่เกิดไม่ไม่มีความจําเป็นเออสมาธินั้นไม่มีความจําเป็นท่านเคยท่านเข้าสู่ความสงบถึงอัปปนาสมาธิได้กี่ครั้งท่านรู้รสไหมว่าอัปปนาสมาธินั้นเป็นอย่างไรจิตเข้าสู่ความสงบนั้นเทิท่านเคยเจอไหมคุณเคยเจอไหมท่านเคยสัมผัสไหม อันนี้เราจะจะถามนักปฏิบัติอีกเหมือนกันอัปปนาสมาธิไม่ใช่ของเข้าในง่ายง่ายง่ายๆแต่ผู้ได้สัมผัสแล้วจะรู้ได้จะรู้ได้เชื่อมั่นในตนเองอีกต่างหากว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญจะรู้ได้ในขณะนั้นเ พ, เ, เพราะว่าเหตุใดเพราะว่าจิตเข้าสู่ความสงบนั้นมันแยกมันรู้ด้วยตนเองว่าร่างกายนีแตกตายสลายแน่แต่จิตใจตัวที่เข้าสมาธินั้นโดดเด่น เห็นได้ชัดเป็นปัจจดต่งังรู้เฉพาะตนเองว่าตายแล้วไม่สูญแน่เชื่อมั่นในตนเองเลยวันนี่แหละาตายแล้วไม่สูนรู้ได้โดยตนเองแต่ถ้าว่าผู้ใดก็ตามถ้าว่าจิตยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิยังไม่ถึงความสงบแนบหนึ่งถ้าเผลอเผลอและพูดลอยไปลอยมามีคนชักนำไปทางอื่นก็เป๋เขวไปไดง้ง่ายเหมือนกัน เพราะอะไรเพราะไม่ซึ้งในพระธรรมคําสอนไม่มีหลักเพราะฉนั้นสมาธิจุดนี้ก็เป็นจุดที่จําเป็นสําคัญอีกเหมือนกันอปปนาสมาธิจุดนี้แต่ควรจะได้สัมผัสแต่ก็ไม่มุ่งมั่นและไม่มุ่งหวังาไม่ตั้งใจถึงขนาดนั้นถ้ามันสัมผัสได้ก็ดีจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะได้รู้ทั้งครบทั้งสมาธิทั้งสามข mm hmm. ั้นกเนิกาอุปจาระอัปปนาเป็นยังไงนี้แหละ นักปฏิบัติแต่เชื่อว่าถ้าเมื่ออัเป็นเป็นอัปปนาสมาธิแล้วมันจะต้องมีวันถอนมันต้องมีเวลาถอนแต่ว่าจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธินี้ไม่ใช่ว่ามันจะสงบได้ง่ายๆไม่ใช่ว่าเดินตามถนนหนทางไปแล้วไปอยู่กลางถนนทางสีแพ่งเออแล้วก็จิตสงบว่าบลงไปเแล้วนักปฏิบัตินักภาวนาทั้งหลายตายเพราะจิตสงบเ อ, อในทางสีแพ่ง อันนั้นแปลว่าไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นได้เพราะจิตสงบจุดนี้เป็นจิตสงบด้วยปัญญาส่วนหนึ่งเหมือนกันเป็นจิตที่รอบครอบเป็นจิตที่รู้เท่ารู้ทันไม่ใช่ว่าจะสงบได้ง่ายๆถ้าไม่มีปัญญาที่จะตอมเข้าสู่ความสงบแล้วไม่ไม่มีทางที่มันจะสงบได้จุดที่มันจะสงบได้้มันต้องสัมปยศด้วยหลายๆอย่าง สติก็พร้อมปัญญาก็พร้อมศรัทธาก็พร้อมวิริยะก็พร้อมมันพร้อมหลายหลายอย่างมันจะจีเข้าสู่ความสงบจุดนั้นได้ในเมื่อถึงเข้าความสู่ความสงบจุดนั้นแล้วมันต้องมีเวลาถอนขึ้นมาพอถอนปุ๊บพึนมาเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นอย่างนี้หนอจะรู้ได้โดยเนตด้วยตนเองจากนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วเราก็รู้เพราะเราได้ศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วว่าจิตเข้าสู่ความสงบนั้นเป็นการพักผอรอนไม่ทำงานจากนั้นเราก็นําจิตที่สู่เข้าสู่ความสงบผ่านการสงบนั้นจิตไม่หิวโหวย จิตไม่ทุรนทุลายจิตไม่กระสับกระสายจิตไม่อวดดีพูงง่ายง่าจิตไม่อวดดีไม่อวดเก่งจิตรู้เท่ารู้ทันรู้เห็นอดีตอนาคตปัจจุบันเห็นกัาธรรร่างกายจะต้องตายแตกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นจิตไม่โลภโมฆะโมกณะจิตไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมเรื่องยศถาบรรดาศักจิตไม่ปุงฟงสารจิตไม่ลืมตัว จิตรู้เท่ารู้ทันจากนั้นจิตดวงนั้นก็นำมาพิจารณาดูร่างกายสังขารตั้งแต่หัวจดเท้าที่พระพุทธเจ้าว่าเกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าพวกเด็เดีเสเลศพวกเหงื่อเลือดปัจจวั ตนน้ำลมไฟอยู่ในกายของร่างกายของเราเราพิจารณาทีท่วนแยกส่วนแบ่งส่วนดูให้ชัดเจนว่าร่างกายนี่อีกสักวันหนึ่งนะใจนะชื่อใจสงบแล้วเนี่ยใจนิ่งแล้นะใจเป็นตัวของตัวแล้วแยกส่วนแบ่งส่วนแล้วกายเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งรู้ได้ชัดแล้วท่านเนี่ยเหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นไเออ ตะกอนก็เหมือนกับรถเนี่ยเป็นของตัวเองจริงๆแต่จากนั้นพอออกมาจากรถก็ชี้รถได้เลยเอยรถเลยอีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้มึงจะยางแตกหรือเปล่าลูกสูบจะติดหรือเปล่ามึงจะต้องสุดชมนะรถนะจะอยู่ได้กี่ปีวะความไม่นอนใจความไม่ไว้ใจในรถก็เกิดขึ้นพร้อมกันกับตัวเองก็พยายามจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ สำหรับตัวเองในการใช้รถคันนี้ให้เกิดประโยชน์สำหรับตัวเองให้มากถ้าเมื่อรถคันนี้แตกตายสลายหรือว่าหมดสภาพแล้วเราจะหารถคันไหนได้อีกถ้าว่าเราจะอยู่ในวั ะ, ะสงสารอย่างเป็นคราวาคญาติโยมอย่างนี้นผู้ยังไม่มีทางที่จะออกจากพ้นทุกข์ได้สำหรับพระสงฆ์แล้ว ผู้อยู่วงในอย่างที่ได้กล่าวเบื้องตน้นพระสงฆ์จะต้องพิจารณาอีกว่าร่างกายสังขารเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวตนของเราถึงพวกเราจะเกิดไปอีกชาติหน้าเราก็จะต้องได้ร่างกายอย่างนี้อีกอย่างเก่าถึงจะอยู่ในสภาพไหนชาติชั้นบรรณะไหนพวกเราก็ต้องมีกินมีถ่ายมีหลับมีนอนมีทุกข์มีร้อนมีหนาวอยู่ในร่างกายไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะมีความสุขคำว่าสุขสุขคำนี้ คือมีวัตถุภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาปนปืเอไม่ทุกไม่ลำบากด้วยปัจจัยสี่แต่ว่าการขับการถ่ายการอยู่การกินการหลับการนอนโรคภยัยไข้เจ็บนั้นมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายทั้งนั้นจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องจะตายไม่เป็นอย่างอื่นถึงจะเกิดกี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนชาติก็เถอะนะใจนะอย่าหลงนะ นี่แหละให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ในเมื่อรู้เห็นตามเป็นความเป็นจริงด้วยปัญญาด้วยวิปัสสนาปัญญาด้วยความนึกคิดให้เห็นตามความเป็นจริงจิตใจไม่ถอนมากก็ต้องถอนน้อยไม่เบื่อมากก็ต้องเบื่อน้อยเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจของตนเองด้วยว่าใจของเราเนี่ยไปลุม่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้น เบื่อหน่ายกระทั่งใจของตนเองนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายไม่เมื่อเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะต้องหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสอยู่ในกายจะกายใจไปให้ความสําคัญในกายกิเลสก็เกิดในกาย อ, อตาไปเห็นรูปใจไปให้ความสําคัญเกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาหูได้ยินเสียงก็เหมือนกันจมูกลมกลิ่นก็เหมือนกัน ใจไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นมันก็หลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจในเมื่อเราเห็นว่าร่างกายเห็นแต่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้สัมผัสแต่ว่าถักสัมผัสตาหูจมูกเลี้ยงกายใจไปสัมผัสในสิ่งไหนสิ่งเหล่านั้นสัมผัสเหล่านั้นเพียงแต่ว่าสัมผัสใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายให้เห็นตามความเป็นจริงถึงจะยินดียินร้ายก็เท่านั้น มันเกิดประโยชน์อะไรที่ผ่านผ่านมาเรายินดียได้เราได้อะไรมันผ่านมาแล้วมันเป็นอดีตไปหมดแล้วต่อไปภายภาคหน้าเื่าเมื่อเราจะยินดียินได้ก็ได้อะไรนี่แหละสรุปและธรรมะทำคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้ที่ท่านสอนกล่าวเอาไว้เข้ามาสู่จิตใจทั้งหมดถึงจะพูดไปยังไงที่ไหนก็ตามถึงจะพูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาระดับระดับไหนก็ตาม ถ้าไม่มาจู่ใจถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงที่ใจถ้าไม่เบื่อหน่ายคลายที่ใจถ้าไม่รู้แจ้งทำความเข้าใจกับใจแล้วใจจะลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ไร้สาระประโยชน์ในการพูดในการแสดงทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราแยกยะให้ออกสมาธิปัญญาวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาสมาธิ อย่างพวกเราท่านทางหลาย ท, ที่แนะนำสั่งสอนกันว่ายุบหนอ่อพองหนอ่ออันนี้แหละคือวิปัสสนาแต่ตามไม่จริงในหลักของการประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ใช่เพียงสมถักพยายามตรอมจิตให้สงบอย่างพุทโธพุทโธเราจะว่าวิปัสสนาเนี่ยพุทโธนะ่ยคือวิปัสสนาไม่ใช่เพียงทำจิตให้สงบเป็นสมาธิปัญญาจริงๆคือแยกแยะอย่างที่ได้กล่าว ให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นใจของเราเห็นตามความเป็นจริงใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นเกิดความเบื่อหน่ายคลายนิบผิทาคือความเบื่อหน่ายในร่างกายในจิตใจรู้แจ้งรู้เท่ารู้ทันจากนั้นก็ถอดถอนอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงสรุปแล้วก็คืออนี้จังทุกขังอนัตตา ใจของเราเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอนิจจงร่างกายเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาใจก็เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาตัวผู้รู้เนี่ยเดียนเนเด๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ไม่รู้เดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ผ่องใสโ ย, ยนใน จ, จิตในใจมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจงทุกขงังสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าท่า พิจารณาหรือว่าเอาให้ถี่ท้วนหรือว่าเอาให้ชัดเจนลงไปแล้วคือธรรมะอนัตตาเนี่ยที่จะทุ่มหรือถล่มลงตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราถล่มลงไปแล้วสิ่งไหนทนต่อการพิสูจน์ในจิตใจของเราในใจของเรานั่นแหละทนต่อการพิสูจน์ จุดนั้นรู้แจ้งเห็นจริงเป็นธรรมธาตุนอกเหนือจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงอันนี้เะว่าเป็นธรรมใจที่เป็นธรรมใจที่ไม่มีกิเลสใจที่ฟอกแล้วฟอกด้วยธรรมแล้วเป็นธรรมธาตุแล้ ว, วนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคือจิตใจออกจาก สมมติทั้งหลายทั้งปวงออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจที่สักฟอกแล้วเหมือนกับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวออกจากกะทิมะพร้าวขุย่มะพร้าวที่เรามากันกรองพอมันลอยขึ้นมาแล้วทีแรกมันก็นเป็นลูกมะพร้าวมาขูดมาก่ย่ำก็กะทิมันออกมาจากนั้นก็ไปต้มไฟพอต้มเคี่ยวเข้าไป น้ำมันมะพร้าวก็ลอยขึ้นมาข้างบนพอลอยขึ้นมาข้างบนแล้วเป็นน้ำมันมะพร้าวใสแจ่วทีนี้น้ำมันมะพร้าวนั้นจะไปขยมใส่ขุยมะพร้าวให้มันเข้ากันก็ได้อีกมันเข้ากันไม่ได้เพราะเหตุใเพราะน้ำมันมะพร้าวมันออกมาจากกะทิมะพร้าวแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งแล้วนี้ก็เหมือนกันจิตใจของผู้พระอรหันต์ออกมาจากจิตใจที่มีกิเลส แต่ก่อนก็เป็นผู้มีกิเลสแต่นี้เมื่อรู้เท่ารู้ทันซักฟอกแล้วซักฟอกต้มตุ๋นออกไปแล้วกลั่นออกไปแล้วด้วยมักแปดคือศินสมาธิปัญญา เ, เขี่ยวด้วยสินสมาธิปัญญาสักฟอกโดยสินสมาธิปัญญาจิตใจดวงนั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเหมือนกับน้ํามันมะพร้าวลอยออกมาจากกะทิมะพร้าวแล้วจะนำน้ำมันมะพร้าว ใสสะอาดนั้นไปขยําให้มันเข้ากับขวี่งมะพ้าที่เราขูดออกมาให้มันเข้ากันมันเข้ากันไม่ได้เป็นคนละอย่างกันอันนี้ก็เหมือนกันจิตของพระหันความบริสุทธิ์ของพระหันจะมากับมากลายมาเป็นปุถุชนอีกเป็นไปไม่ได้คือพระหันคือคือพระหันท่านหมดจดจากกิเลสแล้วนิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังสุญาง นิพพานศูนย์ศูนย์คือศูนย์เชื้อที่จะทำให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสาร น, นั้นศูนย์หมดแล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเป็นผู้บงการเป็นผู้นําในจิตใจดรงนั้นแล้วเหมือนกับข้าวที่มันสุกแล้วอย่างนั้นนะแข้าวที่ก่อนที่มันเป็นเ ข, ข้าเปลือกอยู่เราก็พร้อมที่มันก็พร้อมที่จะเกิดได้ เอาไปเพาะไปวานที่ไหนดินฟ้าอากาศความชื้นเกิดขึ้นข้าวเปลือกมันก็จะต้องเกิดงอกเงยขึ้นมาขยายพันธุ์อันนี้เพราะเหตุไรมันยังขยายพันธุ์เพราะมันมีเชื้ออยู่ในนั้นแต่นี้ถ้าเราไปต้มให้มันสุกซะไปหุงให้มันสุกซะถึงจะหุงข้าวเปลือกก็เถอะหรือกระเทาะเปลือกมันออกก่อนให้เป็นข้าวสารเอาไปตุงหุงต้มให้สุกซะก่อนเอาไปปลูกที่ไหนมันก็มันก็ไม่เกิดทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะมันหมดเชื้อแล้วแล้วมันสูญไหมแต่นี่มันก็ยังอยู่ เพราะมันเป็นข้าวสารนี้ก็เหมือนไกาใจของเราที่บริสุทธิ์แล้วก็รู้ได้พระรหัน์ถ้าอย่างนั้นถ้าว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระรหัน์แล้วท่านจะไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นท่านก็รู้ได้เหมือนกับพวกเราทุกคนแต่ว่าทำใจของท่านที่จะทำให้ทุกลำบากด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะนั้นท่านกระจัดออกไปแล้วในใจของท่านมีแต่ความบริสุทธิ์ ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมของพระอรหันต์มีมากมายที่พวกเราได้ศึกษาวิหารธรรมของพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยวิธีอย่างไรอันนี้มีมากที่ท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมของท่านเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายการประพฤติธปฏิบัติธรำอย่าสับสนเรื่องศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้แล้วนะถูกต้องเป็นนิยาในกรรทำข้อสําคัญให้พวกเราให้เข้าใจแล้วก็นํามาประพฤติธปฏิบัติกับตัวของเราเอง สินมีคุณค่าอย่างไรทําไมจึงรักษาศินถ้าพวกเราจิตใจปรุงฟุ้งซ่านแล้วจะเป็นสมาธิได้ยังไงเมื่อจิตใจของเราปรุงอา่ฟงาฟุ้งซ่านอยู่แล้วจะเกิดปัญญาได้อย่างไรมันต้องเป็นสมาธิก่อนเนะพราะนั้นมาเกี่ยวเนื่องกันเป็นบาดฐานกันซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเองได้อธิบายให้แก่ผู้พวกเพื่อนฟังเพื่อเป็นการศึกษาและจากนั้นก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายไตรตรอง ด้วยเหตุและผลแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติผมมั่นใจในใจของผมว่าผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยตามแนวแถวพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนแล้วก็ผมเชื่อมั่นเกินร้อยที่ผมที่ผมได้กล่าวมาให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่วนการพูดการ แ น, แนวการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสุควรกับการเวลาขอยุติในการพูดเพียงเท่านี้เอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะทีน่นะ